ความต้องการคืออะไรและสำคัญอย่างไรศัพท์ธรรมสำหรับความอยากหรือความต้องการนี้ค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเล็กน้อยขอยกพุทธพจน์มาดูกันอีกครั้งหนึ่งคือที่ตรัสว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหรือเป็นราก เป็นฐานเป็นต้นต่อคำสาคัญคือฉันทะแปลว่าความต้องการหรือความอยากจะแปลว่าความปรารถนาที่เป็นคำบาลีว่าปัฒนาก็ได้ที่ว่าซับซ้อนก็คือเริ่มแรกฉันทะความต้องการหรือความอยากนี้ในขั้นพื้นฐานเป็นคำกลางๆใช้ในทางดีก็ได้ ในทางร้ายก็ได้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้มีทั้งกามฉันทะเนคขมะฉันทะบริโภคฉันทะธรรมฉันทะและอื่นอื่นอีกมากในขั้นนี้ท่านแยกฉันทะคือความต้องการนี้ว่ามีสองอย่างคือหนึ่งตันหาฉันทะแปลว่าฉันทะคือตันหาหรือ ฉันทะที่เป็นตันหาหมายถึงฉันทะคือความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากมีอยากมาลายฉันทะอย่างที่สองกัตุกรรมมยตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือกัตุกรรมมยตาหรือฉันทะที่เป็นกัตุกรรมมยตาหมายถึงฉันทะคือความอยากทําำใยจะทําำใยสร้างสรรค์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 ตัณหาคือความอยากความต้องการที่เป็นอกอุศลได้แก่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากทำลายสองฉันทะคือความอยากความต้องการที่เป็นกุศลได้แก่อยากทำในวงเล็บทำให้มันดีไฟฝึกไฟศึกษาไฟปฏิบัติไฟจัดทำ ไฟสร้างสรรค์ในคัมภีรภาษาบาลีชั้นอัถกถาเมื่อท่านจะแยกสองอย่างนี้ท่านก็หาคำกลางมาตั้งก่อนได้พบว่าท่านใช้คำว่าปัตนาคือความปรารถนามาวางเป็นคำกลางแล้วท่านก็แยกให้ดูบอกว่าปัตนาคือความปรารถนามีสองอย่างก็คือที่แยกให้ดูแล้วข้างบนนั่นเองได้แก่หนึ่ง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 เมื่อได้เห็นความหมายที่แตกต่างกันระหว่างความอยากสองแบบนั้นไปก็คร่าวแล้วก็จะให้จับสาระหรือลักษณะสำคัญของความแตกต่างนั้นให้จะแจ้งขึ้นอีกเป็นการชี้จุดสำคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 1. ตัณหาเป็นความอยากเพื่อตัวตนของเราหรือเพื่อตัวเราเองเช่นอยากเอาเข้ามาให้แก่ตัวเอามาบาเรอตัวให้ตัวเสพ ให้ตัวได้ให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แตกต่าง ก, กันกับสองฉันทะเป็นความอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆเองเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นนั้นขอยกตัวอย่างง่ายๆในวัดเช่นว่าคนมาในวัดแล้วเข้าไปในบริเวณที่มีต้นไม้มากๆเห็นกระรอกกระแตวิ่งโลดเต้นกระโดดกระโจนไปมา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 มีความอยากหรือความต้องการที่เป็นกุศลเป็นฉันทะส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกระรอกตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เขามองไปก็คิดไปว่าเจ้ากระรอกตัวนี้อ้วนดีเนื้อมากถ้าเราจับได้เอาไปลงหม้อกแกงเย็นนี้คงอร่อยทีเดียวละ่ะนี่คืออยากเพื่อตัวตนของตนเองเรียกว่ามีความอยากที่เป็นอกุศลเป็นตันหา อีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนจบมัธยมศึกษาแล้วคิดเลือกจะเรียนแพทย์คนหนึ่งอยากเป็นแพทย์เพราะอยากมีรายได้มากอยากหาเงินง่ายจะมั่งคั่งร่ารวยและมีหน้ามีตามีเกียรติสูงนี่คืออยากเพื่อตัวตนของตนเองเรียกว่ามีความอยากหรือความต้องการที่เป็นอกุศลก็เป็นพวกตันหาส่วนในคนหนึ่งอยากเป็นแพทย์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 ได้แต่รอเสพผลของความเจริญนั้นพูดสั้นๆว่าพวกฉันทะเป็นนักสร้างพวกตันหาเป็นนักเสพพวกฉันทะจึงมีความสุขในการสร้างสรรค์พวกตันหาจึงมีความสุขต่อเมื่อได้เสพในสังคมที่เป็นอยู่นี้ไม่อาจหวังว่าจะทำการใดให้กระแสตันหาเหือดหายไปได้หรือจะให้วิถีของฉันทะขยายขึ้นมาเป็นใหญ่ สิ่งที่พึงทํำคือพยายามดุลไว้ไม่ปล่อยให้กระแสตันหาท่วมทน้นไหลาพาลงเหวไปและคอยส่งเสริมวิถีแห่งการสนองฉันทะให้ดําเนินไปได้ตราบใดคนผู้มีความสุขในแนวทางของการสนองฉันทะยังมีเป็นหลักเป็นแกนอยู่สังคมมนุษย์ก็จะยังพอดําเนินไปได้สิ่งที่จะต้องทําตลอดเวลาก็คือความไม่ประมาทในการพัฒนามนุษย์ ให้ก้าวหน้าไปในการพัฒนาความสุข